พระบัญญัติ368ก็ภิกษุได้จีวรใหม่เพื่อใช้วัตถุที่ทำให้เสียสี3ามชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งคือสีเขียวสีตมหรือสีดำคล้ำ ม, มาทำให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ใช้วัตถุที่ทำให้เสียสี3ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทาให้เสียสีใช้สอยจีวรใหม่ต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุหลายรูปจบ